มาพิจารณาขั น, นยังไงให้เห็นอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นกิเลสเนี่ย น, นะก็มามาแยกแยะแ อ, แอแตัวเนี้ยตัวขันาธนาตุอายตนะเนี่ยคิดง่ายๆว่าอย่างคุณมองเห็นผู้การเนี่ยอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นวิบากอะไรเป็นกิเลสต้องแยกให้ออกเลยเนี่ยนะถ้าแยกไม่ออกปั๊บถามว่าผู้กรรมผู้การพูดหรือขยับตัวปั๊บมีผลไหมเป็นกรรมหม จิตเห็นจิตได้ยินไปนต้นเนี่ยชาติวิบากใช่ไหมถ้าเกิดผู้การน้อยเนื้อต่ำใจเป็นกิเลสไหมอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปตามนั้นไปก็ต้องมาวิเคราะห์ตามนี้ไปก็ต้องฝึกแยกแยะในอย่างเงี้ยในใ น, ในชีวิตที่เป็นจริงในขันอายตนะธาตุแต่ภาษาธรรมะเนี่ยเขาเขาใช้คํารัดกุมมากเขาจะไม่บอกว่าไปพิจารณากับคนนั้นสิคนนี้สิเขาถือว่ารู้เองเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องไปจับมือพาขนาดนั้น เชื่อไหมไหนายพระแตยปดฎกก็มายังไม่เคยพบสูตรใดว่าจับมือพาดให้สังเกตขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนั้นกันไปดูทำไมู้กามจะบอกว่าเรือนั่นรูปนั่นเสียงนั่นกลิ่นนั่นรถนั่นโพธภาพาท่านจะพูดอยู่เท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นตัวรองรับในการพิจารณาส่วนใหญ่เขาจะโกรธถ้าไม่ดีถ้าพูดไม่ดีเขาจะไม่ชอบนันก็พูดแต่สภาวะก็พอ ทีนี้มาดูนะว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้เวลามีกรรมรู้กรรมรู้ผลของกรรมคนก็จะมีหิริโอตะปะมากขึ้นขณะที่ความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบุญใช่ไหมเช่นว่าเออเนี่ยทำกุศลกรรมเนี่ยให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการบูชาการเชื่อเชิญมีผลอันนะั้นดีทําชื่วกับพ่อแม่ก็ได้บุญหมายว่าถ้าทําดีก็ได้บุญถ้าทําไม่ดีก็ได้บาป รู้จนถึงรู้คุณของพระพุทธเจ้าวะพระพุทธเจ้าในฐานะผู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ล ะ, จะเจริญทําให้แจ้งทั้งหมดในธรรมเหล่านี้แล้วก็มีปัญญาตัวนี้เนี่ยปัญญาตัวนี้เรียกว่าบุญเป็นบุญบุญตัวนี้ให้ผลนําเกิดอยู่ยัยนะบุญตัวนี้ให้ผลนําเกิดแต่ว่าบุญพวกนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิบุญตัวนี้มีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นอารมณ์ ทีนี้คิดยังไงต่อไปเนี่ยบอกว่ามันจะดับขันธาตุอายตนะสถีเนี่ยรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้เนนะคุณไปสาธยายโล ก, กันนโรทัศน์วิไว้บ้างดรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมเส้นทางจําทางไว้บ้างก็ยังดีทีนี้พอเราสัมมาทิฏฐิเนี่ยแยกแยะออกไงบ้าถ้าแยกแ ย, ยะกรรมวิบากกิเลศออกนะขึ้นต้นด้วยวิบากก่อนค อาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณจนถึงว่าทุกครั้งที่ลืมตาเนีตามด้วยตัณหาอย่างหนึ่งอวิชชาอย่างหนึ่งกรรมเนี่ยอย่างหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อสร้างตาเนี่ยนะหลั่นใจความโดยสรุปมันเป็นลักษณะ น, นั้นคือตาเนี่ยในฐานะผลของกรรมอวิชชาตัณหาเป็นกิเลสกรรมเป็นผลก็ทําให้มีตาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเริ่มกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์เนี่ยจะแยกแยะสามส่วนนี้ออกส่วนที่เป็นปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลออกอันนี้ยังอยู่ในกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอยู่นะทีนี้ก็เริ่มเจริญเนี่ยตาเนี่ยอนุปัสนาเจตในอะไรในตาอนุปัสนาเจตในตัณหาวิชากรรมแล้วก็อนุปัสนาเจตในตาเนี่ย ถ้าเจริญอย่างนี้ก็เป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิหรือเจริญอนุปัสนาเจดในมิจฉาทิฏฐินะเอาอนุปัสนาเจ็เนี่ยเจริญในมิจฉาทิฏฐิเจริญจนกว่าจะหลีกออกจากพวกนี้ได้เจริญจนกว่าจะหลีกออกได้เพราะว่าความเป็นกรรมเนี่ยนะเนื่องจากว่ามีสังขารธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยกรรมมันจึงยุดถ้าหลีกออกจากสังขารได้เมื่อไหร่ สติส่นที่วิญญาณไม่มีที่ตั้งก็มีสูตรหนึ่งนะชอบถึงทุกวันเนี่ยมันเห็นภาพดีสมมุติถ้าหากว่ากลางคืนเดือนงายเนี่ยนะกลางคืนเดือนงายทา ง, ทางเนี้ดวงดวงจันทร์เนี่ยส่องมามีช่องหน้าต่างเนี่ยถามว่าถ้าดวงจันทร์ส่องมาเนี่ยมันตกลงตรงไหนตกลงที่พื้นถ้าไม่มีพื้นตกลงที่ไหนที่ดินถ้าไม่มีดินมันจะตกลงที่ไหนบอกที่น้ําถ้าไม่มีน้ํามันตกลงที่ไหน ไม่มีที่ตกชั้นใดก็ดีพวกกรรมกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะมันมีขันธ์ธาตุอายตนะรองรับถ้าจนกว่าคุณหลีกออกจากขันธ์ธาตุอายตนะได้คุณทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ไม่ใช่ไปคิดหายมันไอช่องว่างตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนมันต้องเนี่ยหลีกออกโดยอนุปัสนาเจอันนี้เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ชีน้นําว่าคุณต้องตามเห็นเนี่ยอารมณ์เนี่ยเช่น ตัวสำคัญที่สุดนะคือตัวตาเนี่ยคุณต้องเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นโดยทุกข์ไม่เห็นโดยความเป็นโศกตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อนายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่กําหนัดต้องการดับไม่ใช่ต้องการสร้างต้องการสละคืนและหลีกจากตาโดยที่มีอสังขตะเป็นอารมณ์ถ้ามีอสังขตะเป็นอารมณ์ปั๊บการสร้างตามจะไม่มีเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอันจบกันเนี่ยนะ ถ้าต้องหลีกออกจากตาก่อนแต่ว่ามันหลีกออกไม่ง่ายหรอกเพราะอัตาท่าของตามันแรงไปไหนนะลองไม่ให้เราดูดูสินี่นะไปเที่ยวต่างประเทศนะปิดตาเราเลยออกทัวร์ให้ฟรีให้ไปเนี่ยนะเอาไหมคุณนารีสนใจไหมให้ไปอเมริกาแต่ว่าปิดต า, ด ต, าตลอดเลยนะงานเนี้ยปิดตากับปิดหูตลอดสายแต่ว่าพาไปต่างประเทศต่า <laughs> งเคสอนไม่ <laughs> ไม่ตัใจเลยเพราะว่าอัสธาธะมันแรงอย่างนี้เลยะดอกไม้สวยๆแต่ไม่ให้เราดูเนี่ยนะแต่เขาบอกมีของดีแล้วไม่ให้ดูเนี่ยนะแหมมันอัศสาธะของตาเนี่ยมันแรงขนาดนี้เพราะนั้นฟังสูตรนี่ไม่ยากเออเนี่ยตามเห็นตาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นด้วยความเป็นของเที่ยงถามจริงๆเหอตั้งแต่ลืมตามาเนี่ยเออตาตัวนี้มันไม่เที่ยงนะ แทบไม่น้อ ม, มันนึกเลยนะแต่ก็โดยสูตรนี่ฝังทรมาจนคล่องแล้วว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยนะอาง่ายๆก็หมายความว่าเห็นเตาแลวใช้จารัฒนาเ็ก็คืออนิจจังทุกขันตานะคะอย่างเดียวถ้าไม่รู้ว่าอ์อะไรจะปิ้งอะไรก็ให้แนวไว้นะกูก็ไปฟังเทปสติประฐานที่พูดๆไว้ก่อนๆบ้างนะค ฟังวิทยุทุกวันวนะ น, น, น, น่ะนะันตัวก็สมมุตินะทั่วในครั้งหนึ่งว่าขันอายตนะธาตยกตาขึ้นมาเนี่ยตานี่เป็นรูปประขันเป็นจักขวายตนะเป็นจักคู่ธาตถ้ามิจฉาทิธฐิมีตาเป็นอารมณ์เขาจะว่าไง นึ่งง่ายๆเลยนะเกิดลอยๆนั่นไม่มองไปที่เหตุของตาอะไรเลยสักอย่างก็คือเท่ากับปฏิเสธกรรมในอดีตที่ทําให้มีตาสองปฏิเสธว่าเอาตาไปมองอะไรแล้วมันไม่มีโทษมันไม่มีวิบากต่อไปทันทันเมื่อมีตาอย่างเงี้เอาตามาก่อกิเลส ไปดูอะไรให้บาปขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิทีนี้พวกสัมมาทิฏฐิล่ะสมมติว่าถ้าเกิดเห็นตาว่างงามเนีย่ยถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับขณะที่เห็นว่า ง, งามเฉยๆไม่คิดอะไรเลยเนะไ ม, ไม่ไม่สาวต่อไปเนี่ย เป็นตัวมันเองเนี่ยเป็นโลภะวิประยุติแต่ว่าโลภะวิประยตุติตัวนี้เกิดร่วมกับกามวิตกกามวิตกตัวนี้เป็นอาหารชั้นดีของมิจฉาทิฐิถามว่าทำไมมันจึงเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะสมมติว่าพอตรึกไปอย่างนี้มากๆด้วยอำนาจอากุศลวิตกนะถ้าอากุศลวิตกมีกำลังโลภะเกิดมากอาภิชาก็เกิด น้อมมาเป็นของเราเป็นต้นเนี่ยนะอยากจะพูดไหมว่าอันนี้มันเป็นกรรมเป็นกิเลสต้องการยอมรับไหมเพรา ะ, ะนักกุศลวิตตกกันเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีของมิจฉาทิฐิเพราะยิ่งใครที่เรียกว่าเผลอใจไปคิดเป็นบาปสักเกือบตลอดชีวิตมาเลยนะพอมาฟังทำปับรับไม่ได้ว่าอันนั่นเป็นบาปเพระนันกุศลวิตตกเหล่านี้เป็นอาหารชั้นดีของมิจฉาทิฐิ ในบรรดาปัจจัยทั้งหลายเพราะว่าพอมาถึงขั้นสัมมาทิฏฐิแล้วนี่นะครการที่เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ไม่ใช่สุภาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิถูกไหมครับใช่พอในในเบื้องต้นเนี่ยคืออยากให้รู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ความเป็นมาเป็นไปก่อนถึงรู้ว่ามันเน่ามันอสุภาอะไรเนี่ยถ้าไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ เ, นะเห็นมองเห็นตาใครก็เน่าให้ถลนออกมานอกเบ้าให้เห็นเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหนึ่งรู้ว่ามันเกิดมายัาง ไ, ไงไปยังไงและอาศัยตาเนี่ยก่อให้เกิดกรรมกิเลสยังไงแล้วทําไมจึงต้องหน้าเบื่อหน่ายเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่รู้เงื่อนไขความเป็นไปเป็นมาเนี่ยถึงรู้อสุภาพรู้เห็นมองเห็นตาใครก็ถลนออกมาลืมตาเหมือนกับตาถลนออกมานอกเบา้ามันเปื่อยเน่าไปหมดเลยเนี่ยนะก็ประโยชน์ก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่า ไม่ได้แก้ปัญหาถาวรสักเท่าไหร่เพราะพื้นฐานเนี่ยการรู้เหตุเกิดความดับไม่ดีก็แสดงว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่เลยตรงนี้ไปหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของตรีนัปปินาถูกไหมครับใช่แปลว่าตรงนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงของยาตรีญญาใช่เพราะตรงนี้เราต้องแยกให้ออกว่าเช่นว่าเมื่อลืมตามองเห็นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างตาเนี่ยกติกาตัวนี้ต้องแม่นมากๆเลย ถ้าเจริญอนุปัสนาเจตในตาเนี่ยจนอนุปัสนาเกิดอริยมรรคเกิดอันนี้ดับตาดับตาถาโถถ้าตาแค่ชาตินี้มันไม่ยากมันตายแล้วมันก็บอดแค่นั้นแหละเรื่องบอดก่อนตาด้วยแต่ว่าทิ้งตาอนี้ถือเอาตาอันใหม่เพื่อมาอะไรเองเอาตามาต่อตาอีกก็ต่ออยู่อย่างเงี้ยตาติดตาแต่ว่าเมื่อใดที่เจริญอนุปัสนาเจในตาเนี่ย จนเลิกอาไลาอาวอ์ตาในอดีตไม่ต้องการตาอันใหม่ในอนาคตตามเห็นตาในปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยโดยอนุปัสนาเจจนพรากพรากออกหรือหลีกออกจากตาได้จริงๆอันการเจริญอนุปัสนาเจในตาเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าวุฒานคามินีวิปัสนาแปลว่าวิปัสนาที่เจริญเพื่อออกจากตาไม่ต้องการตาอีกแล้วแล้วก็ผู้หลีกสําเร็จคณะอารยมรัคษ โดยที่ไม่มีตาเป็นอารมณ์แต่ไม่ใช่เอาไม่เอาตาแล้วไปเอาหูต่ออย่างเงี้ยนะไม่ใช่เปลี่ยนอารมณ์คิดคิดจนเรียกว่าอะไรนหะสูตรเขามีอะไรบ้างหนึ่งจกักรโค่ช่างสองตัวเลยระหว่างจักขโ่กับจกักรโคนิโรธเนี่ยอัธยาศัยจริงๆของเราเนี่ยคืออะไรอันนี้ต้องมาฝึกอัธยาศัยอีกครั้งหนึ่งก่อนนะอ่านะว่า จักขู่กับจักขูนิโรธเนี่ยอันไหนเกษมอันไหนปลอดภัยอันมีจักขูมีภัยมีจักจักขูนิโรธปลอดภัยจักขู่นี้เป็นอมิตรจักขูนิโรธเป็นนิรามิตรจักขู่เป็นสังขารจักขูนิโรธเป็นนิพานก็แยกสองส่วนเนี่ยถ้าเพลิดเพลินจักขู่สร้างจักขู่เป็นสมุทัยถ้าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจักทําให้จักขูนิโรธให้แจ้งนั้นเป็นมัช ก็ต้องมองให้เห็นเป็นอริยสัตว์ให้ได้ถ้าไม่เห็นเป็นอริยสัตว์มันก็โดยเฉพาะถ้าไม่แจ้งจักขูนิโรธคุณก็สร้างจักขูตลอดนะเอาไปดูอะไรก็ได้ดูพระพุทธเจ้าก็นําเกิดแต่ว่าตาจะดีตาชั้นดีชั้นเลิศก็ว่าตายแต่ว่าก็ยังให้มีตาวันยังค่ําถ้ามีตาแล้วมันก็ดีดูได้ดูสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างดูแล้วก็ร้องไห้บ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างก็อยู่อย่างนี้แหละ พระเวทนาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลของการมีตาก็จนกว่าเนี่ยตาอย่างตากำลังใช้งานดีๆบอกมันน่าเบื่อหน่ายมากๆเลยนะลืมตาดูเมื่อไหร่ก็บอกน่าเบื่อมากตาเนี่ยขอให้แน่ใจขนาดนั้นอุย๊ยเบื่อเหลือเกินตาที่ต้องเห็นดอกกุหลาบงามๆก็เจริญอย่างเงี้ยจนกว่าจะรุกมีความคิดอย่างนี้โดยอัธยาศัยไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่แกล้งแต่ว่ามันเห็นไทยจริงๆ อันนี้แหละที่เรียกว่ามันทำได้ยากเป็นของลึกซึ้งที่ว่ามันฝืนความคิดของสัตว์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นี่จำเปนิดฝืนกี่องศาสามร้ยองสิบที่เท่าเดิมไม่ใช่เหรอ ได้พูดอีกในหนึ่งนะสมมติถ้ามีตาเป็นอารมณ์ดังกล่าวไปเนี่ยคิดยังไงกับตาเป็นสัมมาทิฐิคิดยังไงกับตาเป็นมิจฉาทิฐิคิดยังไงตาเป็นมิจฉาสังกปะเป็นสัมมาสังกปะพูดถึงตายังไงเป็นมิจฉาวาจาเป็นสัมมาวาจาต้องแยกอันนี้ให้ออกแยกด้วยแยกทั้งผลพวกนี้ด้ว ย, ยนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะมรแปด ถ้าพูดให้เต็มเลยบอกว่าจิตทุกชนิดที่มีตาเป็นอารมณ์นั้นต้องเอามา ว, า ว, า ว, าวิจัยหมดเลยถ้าวิจัยไม่ถูกเนี่ยนะมันแยกแยกอะไรนะแยกกุศลอกุศลไม่เป็นถ้าแยกกุศลอกุศลไม่เป็นแล้วคุณจะไปตัดอะไรอะไรควรละอะไรควรเจริญจะรู้ไหมว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยคิดอย่างนี้ในตาควรละมิจฉาสังกปะควรละมิจฉาวาจาพูดถึงตาแบบนี้ควรละ น, นะ แบบนี้ควรเจริญนะนะสัมมาทิฏฐิเมื่อมีตาเป็นอารมณ์ควรเจริญมิจฉาสังกปะควรเจริญสัมอขอไปสัมมาสังกปะควรเจริญสัมมาวาจาควรเจริญโดยที่มีจกักขุเป็นอารมณ์เนะี่ยอันนี้ที่จะต้องมาฝึกแยกแยะนะแยกแยะให้เป็นแต่ก็ถ้าแยกอะไรไม่เป็นก็เอาโลกันนีโรท่าสูตรมาสาธยายเอาไว้ประจําประจํา อาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามประชุมกันเป็นภาษาเนี่ยนะนทุกครั้งที่ลืมตานะเจริญสูตรนี้ให้ดีๆเลยจนกว่าจะจนกว่าจะคิดออกจริงๆริงนแหละหรือไม่ก็คิดอีกในหนึ่งนะลืมตาปั๊บก็เนี่ยเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอย่างนี้นะทันเวลาที่ลืมตามองเห็นปั๊บเนี่ยเจริญกรร ม, มสกตาเป็นต้นเอาไวด้ดีๆเลยนะต้องแยกกรรมสิบสองให้ได้เลยถ้าถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆนี่ก็ก็ไม่มีอะไรก็เรียนต่อไปจนกว่าจะทําได้นี ไม่เรียนนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่าเวลาตัวเนื้อหาที่เป็นวิชาเรียนจริงๆนะไม่ใช่มานั่งค่าเวลาพร้อมทั้งชีวิตตัวเองอาจารย์เชื่อครับผมผมเชื่อว่าญาตาปิญญาเนี่ยนะกว้างขวางกว่ายากกว่าขั้นตีนะปิญญา ถ้าเข้าใจขั้นยาตับปิญญาและตีนปริญญ า, ญญาคือข้อมูลที่เรามีอยู่นะข้อมูลที่เรามีอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าปัญหาว่านางนายกนี้ที่เห็นเลยก็คือไม่เจริญกรรมสกตาเลยหรือกรรมสกตาไม่ค่อยดีอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะกรรมสกตาไม่ดีอย่างน้อยนักน้อยจริงๆแม้แต่ในห้องเราเอาแยกได้กี่คนมาลืมตาอะไรเป็นกรรมวิบากกิเลสเนี่ยนะ แล้วองค์ประกอบของวิบาก ค, คืออะไรองค์ประกอบของกรรมคืออะไรองค์ประกอบของกิเลสคืออะไรแล้วทำไมกรรมมันจึงให้ผลอะไรเงนะ ท, ที่โยงให้มันติดอย่างนี้จริงๆเลยนะอันนั้นแหละเป็นยาตะปริญญาถ้าตรงนี้ไม่แม่นมันก็ยังไม่รู้ว่าเบื่ออะไรจริงๆเบื่อหรือโทสะกันแนนะ่หรือว่ามันพร่องทางความคิดนะครหรือมันเป็นความหิวชนิดหนึ่งอ่ะนะ ต, ต้องแยกออกทั้งหมดเลย ถ้าแยกสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเนี่ยนะยากนะที่จะเจริญไอสมมาสังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะได้สัมมาวาจาได้มันเป็นคนที่วิเคราะห์พฤติกรรมของความคิดทุกๆชนิดด้วยนะทั้งสชาติเลยนั้นประิยะัตนั้นจึงสำคัญมากเยนะที่ที่เราจะต้องศึกษาจนแยกแยกอะไรเป็นอะไรให้ให้ได้เนี่ย แต่ทีนี้ว่าพอเรียนอย่างงั้นปั๊บมันมีเงื่อนไขยเยอะนี่เออต้องไม่ท่องต้องอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างไม่ง่ายเหมือนกันโอ้ยแต่กว่าจะรู้ว่าไม่รู้นี่มันก็เก่งมากๆแล้วนะเริ่มรู้ว่าไม่รู้นี่ดีไอเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้แล้วยังไม่รู้ว่าไม่รู้นี่อันนี้นี่หนักมาก แต่นี้ถ้าอย่างที่เราทั้งหลายที่ที่เรียนมาตลอดขนาดเนี่ยนะก็พอจับอะไรได้พอสมควรนั่ละแต่ว่าถ้าจะฝึกเจริญในชีวิตในปฏิบัติจริงๆก็คือเนี่ยเวลาลืมตาเนี่ยปิยรูปสาตรูปเนี่ยให้มันนึกออกอะไรเป็นปิยรูปอะไรเป็นสาตรูปเนี่ยนะธรรมะหกสิบเนี่ยสำคัญมากๆเลยเธอ พูดถึงว่าผู้ที่เรียนมัคคสัต์จะเข้าใจดีเนี่ยนะต้องรู้จักสมุทยัทยสัตกับนิโรสัจจะค่อนข้างดีจึงจะเจริญมัคคสัต์ได้ถ้าแยกแยะสมุทยัทยสัตกับนิโรสัจจะไม่ได้นะเข้ามาก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเจริญมัคเป็นได้ยังไงเนี่ยนะเจริญมัคแปด น, นะเจริญเป็นได้อย่างไร จริงๆธรรมะหกิเนี่ยนะก็คือทวารตานี่ยแหละทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมง่ายๆก็อะไรบ้างอาศัยจากโค ก, กับรูปเกิดอะไรเกิดจากโควิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาทําไมตัณหาจึงเกิดเพราะมีวิตกนะมีอะไรอีกมีวิจารณ์ นะที่ตันหาเกิดขึ้นที่เป็นวิตกเพราะอะไรเพราะสัญญาพอมีวิตกวิจารสัญญางี้ก็เกิดเจตนาอันนี้ทวานตานี่สิบแล้วใช่ไหมหนึ่งจักขุ 2. สองรูปสามิญญาณสี่ภาษาห้าเวทนาหสัญญา 7. เจตนาแดตันหา 9. ก้าวิตกส0พิจาร ต้องต้องแยกอันนี้ให้เป็นถ้าแยกเป็นน่จะรู้ว่าตัวนี้เป็นกรรมเนี่ยนะตัณหาวิตกวิจาร์เจตนาเป็นทั้งกลุ่มสองกลุ่มเลยนะเป็นทั้งกลุ่มกรรมและก็เป็นทั้งกลุ่มกิเลสตัณหายัางเดียวเป็นกิเลสนะพวกนี้โดยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มวิบากน่เมื่อมีกรรมเพื่ออะไรอีก ก็ต้องแยกให้เป็นมองให้เป็นปฏิจจสมุปบาทเลยนะว่าทีนี้ที่เรียกว่าพวกนี้เป็นธรรมะที่เป็นทุกข์สัตว์ถามว่าสมูทัยมันคืออะไรเนี่ยนะสมูทัยก็คือสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่นั่นเพรา ะ, ะเราตัณหาเนี่ยฉาบทาในจักขคูฉาบทานในรูปฉ า, าบทานในา จากขู่วิญญาณฉาบทาในภาษะเวทนาตันหาวิตตกวิจารเป็นต้นเนี่ยนะพูดภาษาหนึ่งอีกง่ายๆนะบอกว่าคุณมีโอกาสดูในสิ่งที่คุณพอใจที่สุดนะสิ่งที่เราเต็มใจที่จะดูเลยนะอะไรมันน่ารังเกียจบ้างเอาง่ายๆนะเห็นหลานสุดที่รักอยู่คนหนึ่งถามว่ารังเกียจตาไหมที่ได้เห็นหลาน รังเกียดรูปของหลานไหมรังเกียจจากครูวิญญาณตัวเองไหมรังเกียจภาษาไหมรังเกียจเวทนาที่นึกชอบหลานเนี่ยเนี่อรังเกียจตันหาเนี่ยกรึกถึงมันเป็นวิตกวิจารเนี่ยพูดกับหลานนี่มันน่ารังเกียจไหมตัววิจารตัวเนี่ยเป็นการมสัญญาน่าอย่างไงนีพูดกับหลานเป็นกรรมนั่นเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะรู้ว่านี่คือสายเนี่ยสมุทัยสัตว์ตลอดสาย ทีนี้ถ้าตัญหาถ้านิโรศสัจกจะคืออะไรคือดับฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยดับฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้ให้ได้นั่นแหละเป็นถ้าดับฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้จริงๆ น, นั่นคือนิโรดตัดฉันทราคะได้ทีนี้ถามว่าคุณคิดยังไงจึงจะตัดฉันทราค่าได้อันนี้แหละเรียกว่าปฏิปทา ปฏิปทาตัวนี้ชื่อโย่อๆว่ามักมักคาหรือหนทางเพื่อเพื่ออะไรเพื่อดับสิ่งเหล่านี้ซะเหนไก็อย่างว่าหนึ่งจากคูจากคูสมูทายจากคูนิโรจากคูนิโรทคามินีปฏิปทาคนที่เรียนธรรมะมาโดยลําดับจะต้องผ่านการท่องการสาธยายพวกนี้เไว้ทั้งนั้นนะจากคูจากคูสมูทายจากคูนิโรจากคูนิโรทคามินีปฏิปทารูปรูปสมูทายรูปนิโรธ วิญญาณภาษะแล้วก็ทุกอันเนี่ยคูณอะไรนะอย่างเช่นสัตตฐานสูตรตกยกตัวอย่างอะสัตตฐานสูตรเนี่ยนะหนึ่งจักโขนะนะถ้าจักขุในฐานะรู ป, ประขั น, นเหตุเกิดของจักโุความดับจักขุปฏิปทาให้ถึงความดับจักขุอัศาธาแห่งจักขุ อาท์ีนวะแห่งจกักขุแล้วก็นิสรณะแห่งจกักขุรูปเนี่ยคูณทั้งหมดเลยคูณฐานะเจ็ดเนี่ยทุกอารมณ์เนี่ยหมดเลยถ้าเจริญอย่างนี้ได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นี่นะแต่โดยมากนะมันพิจารณาไม่ค่อยได้มันฟุ้งซ่านไปซะก่อนเพราะอาทิตย์นี่แหละที่จะต้องเจริญกุศลศีลเจริญกุศลชั้นอื่นๆมารองรับตัวเองเนี่ยนะมากๆเลยแหละมาเป็นฐานรองรับเนี่ย อย่างเราฟังไงเออนี่จักขูจักขูสมูไทยจักขูนิโรเนราะพอเอาเข้าจะไปเจริญเป็นงานเป็นการเนี่ยจะทํทำยังไงต่อไปอ่อใช่ไหมคือปัญหามันจำก็จำไม่ค่อยได้ด้วยนีเนี่ยยุ่งมากมากเลยเออพูดถึงว่ า, าไล่มานะฮะตั้งแต่จักขุรูปเกิดจกักขูวิญญาณแล้วก็ภาษะเวทนามาถึงก็ตัณหานี่นะถึงเจตนาเนี่ย ไม่ไม่ไ ม, ไม่ค่อยอคือเป็นไ ป, นปนตามปฏิจจทูตนะครับแต่พอมาวิตกเนี่ยนะฮะวิตกสัญญากับวิจารณ์นะมาเจตสิกสามตัวนี้นี่นะครับจะจ ะ, จะพิจารณาเจตสิกทั้งสาตัวนี่อยู่ในอยู่ในในจิตดวงไหนโดยมากเพื่อนี้นะถ้าทั่วๆไปก็เช่นว่ า, อ, านะอยากยกตัวอย่างว่าเห็นหลานเนี่ย ถ้าพวกจกักโหรูปวิญญาณภาษะเวทนาตันหาเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนี้เห็นเห็นเลยปัจจุบันขณะที่เห็นแต่หลังจากเห็นมาแล้วเนี่ยเอาอะไรมา น, นึกถึงก็แสดงว่าถือว่าอันนี้เป็นผลมาจากอุปนิสยัยถูกไหมครับอโดยอุปนิสัยปัจจัยเพราะฉะนั้นในขณะที่ตันหาเกิดเนี่ยนะตรงนี้มันบวกอะไระบวกสัญญาไว้อยู่แล้วครับสัญญาตัวนี้เป็นอุปนิสยัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้วิตกกะถึงรูป มันเขาจึงมีชื่อนะถ้าสังเกตชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยบอกไว้หมดเลยวิญญาณเรียกจากขูวิญญาณภาษาเรียกจากขู่สัมผัสเ<อ> s. <S วทนาเรียกจากขู่สัมผัสชาเวทน า, า, าแต่ที่เหลือเนี่ยยกให้รูปหมดรูปปัญหา <Roberts. S 1> ร, ปป ร, รูปประสัญญารูปปวิตรูปปวิจารรูปประสัญเจนตน า, านก็ยกให้รูปนะเพราะพวกนี้อ่าชาวนะทางมโนทวารวิถี เก็บมาครุ่นคิดในวันหลังก็ได้ซึ่งก็อยู่ใน อ, อยู่ในสัตธารมนสูตรนั่นแหะใช่เั้นท่านถือว่าทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้มีภาษะเป็นปัจจัยถือว่าภาษาทการเห็นครั้งนั้นเนี่ยโห อ, อยากคิดว่าเล็กน้อยเพราะนั้นถ้าพูดถึงทำหนึ่งที่ควรทําปริญญาคืออะไรบอกภาษะที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนะไอ้ตัวนั้นต้องเอารีบเอามาทําปริญญาเลยให้ดีๆเลย มนะันเห็นของสวยของงามเห็นของที่น่าพอใจนะรีบเรียบทําปริญญาเลยถ้าไม่ทํานะเดี๋ยวมันจะลามเงี้ยนะคือถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าไม่ไม่อาศัยระดับพระพุทธเจ้านะใครจะรู้ว่าการเห็นครั้งนั้นเนี่ยมันอันตรายขนาดไห น, นนะการเห็นครั้งนั้นเนี่ยอันตรายขนาดไหนเสียหายขนาดไห น, นนะเพราะว่า ตกนรกขึ้นสวรรค์ก็เพราะได้ภัสสะเหล่านั้นนั่นแหละเพราะภัสสะบางอย่างนะเห็นครั้งเดียวคิดเป็นสิบสิปีเนี่ยนะมีไหมคุณวิลาวันมีค่ะแล้วก็ทุกคนนะพยายามนะบอกจะทรงจําในสิ่งที่ภัสสะเอาไว้ตลอดไปด้วยนะบางคนเนี่ยสมาทานไว้อย่างนั้นอีกจะทรงจำเอาไว้จะอะไรไว้วุ้สมาทานอธิษฐานอยู่นั่นแหละ ใช่ตอนนี้คือปกติของสัตว์ที่เฝ้าโลกเขาทําอย่างนี้เลยนะปกติของสัตว์ที่อยู่ในโลกเขาคิดแบบนี้กันทั้งนั้นแต่ทีนี้มามาคิดแบบผู้ที่ต้องการออกจากวัฏทุกเนี่ยเขาจึงเอาจึ ง, จงรอบรู้สิ่งเหล่านี้จริงๆต้องวิเคราะห์เป็ น, นนะจนกว่าจะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนับนะคิดยังไงจนกว่าจะเบื่อในสิ่งที่น่าพอใจที่สุดนะอจามินิตนั่นนะ ต้องก็เร like like so, ีกว่ต <Pues> ้องรู้จักโทษอย่างเพียงพอนะค้นหาโทษเท่าที่มีอยู่สูตรท่านบอกว่าค้นหาโทษของจักขู่เท่าที่จักขู่มีอยู่ค้นหาโทษของรูปเท่าที่รูปมีอยู่ค้นหาโทษของจักขูวิญญาณเท่าที่จักขูวิญญาณจะมีโทษอยู่ค้นหาโทษของจักขู่สัมผัสเท่าที่จักขู่สัมผัสจะมีอยู่ค้นหาโทษของ จักขู่สัมผัสชาเวทนาเท่าที่จักขู่สัมผัสชาเวทนาจะมีอยู่ค้นหาโทษของรูปปตัตนหาเท่าที่มันมีอยู่ค้นหาโทษรูปประสัญญารูปประสัญเจตนารูปปวิตกรูปปวิจารณ์เท่าที่สิ่งเหล่านี้มันมีโทษ อ, อะไรบ้างนะเนนหาโทษไปเนี่ยนะก็จนกว่าจะรียกว่ารู้จักโทษตามสูตรเขาบอกว่าเมื่อเบือนายย่อมคลายกำหนัดนะสูตรเขามีอย่า ง, ง น, นั้นเท่านั้น น้อมไปเพื่อพรากแต่ว่าอันนี้เพิ่งได้ยินมันไม่เบื่อหรอกอนะถ้าเว้นไว้แต่สั่งสมบุญมามากจริงๆเนี่ยเพราฉะนั้จ้องเก็บสถิติอันนี้ไปเบื่อในขณะที่ได้รับอารมณ์หน้าปรารถนาว่ามันน่าเบื่ อ, อยังไงเบื่อหลือกเกินเนี่ยจะต้องเห็นสตังอีกแล้วแต่ว่าเออมีนิยมบางคนเนี่ยก็บอกอุ้ยเช้าสายบ่ายเย็นก็นั่งแต่นับสตังมันหน้าเบื่อเออเนะเขามีแน่นั่เป็นคนฐานะดีมากก็เลยเบื่อในการนับสตังมากเพราะงั้น อ, อ, อย่างนี้ก็มีอยู่ แต่ว่าบางขณะนะที่มันโทรศัว่าทำกับซ้ำๆซักๆแต่ลองมันลดหายดูสิเนี่ยนะ